ก็นที่ว่าปฏิบัติธรรมที่วัดของวิมาวัดงานบริุทธิ์ักดีผมก็ไม่ไม่ค่อยทำอมาช่วยงานทัยอดหนึ่งนี่นละที่มาแล้วคุ้นเคยกับสมภารแล้วท่านความบริสุทธิ์สุขภารผู้บริหารวัด จะได้ง่ายจะได้ก็ด้ดินข่าวว่าจะกลับไปเป็นอย่า ง, งเก่าไม่รู้ว่าจะทะํายังไงเนาะพบเงินก็ไม่รู้จะมาจะมาอยู่ที่เปล่าไม่รู้จะมาที่นี่เพราะไม่ไม่มีใครคุ้นเคยที่จะมาที่มาที่นี่ก็คุ้นเคยกับยานสุรพคนเคยรู้จัก รู้จักมักคุน้นเป็นสนมในการปฏิบัติธรรมด้วยกันร่วมกันเมื่อเขาจากไปแล้วก็ไม่ได้จิตใจมาหาใครมหาวัดก็มีแต่วัดเดชลาเวลาเขาพูดไปไหนจะนมาก็พูดไปไหนะไม่รู้จะมาพูดกับใครก็เลยคิดๆอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ไนดะ้แม่ที่นึ่ง ก็ไม่มีใครที่แบบรู้จักที่มาที่ไปรู้จักรู้จักเข้ารู้จักเข้าเข้ามูลรู้จักที่มาที่ไปคนที่ไปหายกันเปนคนคุ้นเคยเห็นคนคุ้นเคยเป็นคนรักกันถึงจะมาถึงจะอยู่อยู่กัแต่ตายตะลอนตะลอ น, นไม่วันที่ไหนแต่ที่ไห น, น, นก็นนก็ไม่ได้ ที่มาหากันก็คุ้นเคยกันที่นี่ไม่รู้ว่จะมาหาใท ย, ยู่คงจะ้นั้นมาล้เพราะเขานิจักขนีจากเขจาขจากหนีบางคนเนี่ ย, ยแล้วเลยลำบากเลยล ำ, ำบากตอนที่มีนจะคู่บริหารเนี่ยคู่บริหารวัดวานเป็นตัวสำคัญมากกลัวเราจะได้ สิบบุคลากรขึ้นมาใช้า ง, งานขึ้นมาใช้า ง, งานขึ้นมาบริหารไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ดีๆมันจะมีง่ายๆตั้งหลายปีอาจารย์เสนอได้สี่ปีนั่นสิกว่าปีเลยทีไม่ใช่ธรรมดาเข้รรา่ า, าใหม่ก็เิ่นต้นใหม่ไม่เล่มต้นใหม่ครอกจะเข้าลูกข้อรอยก็พอดีๆๆถ้าเข้าลูกเข้าลอยไปยคนละเรื่องคนนึ มันยากอย่างเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันพวกเรามาปฏิบัติธรรมปีอละหลายปีกันเรื่คนเก่าๆหน้าเก่าๆแล้วเราก้าวหน้าหรือเราถอยหลังไม่ว่าเราเดินเดินถอยหลังหรืเดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องมาคิดดูให้คึกดูคิดใหมันดีดุให้มันดีดีขึ้นทั่ว ที่ยิ่ก็เป็นคารวาสก็มาประกาศพระศาสนาได้เหมือนกันแต่ยิ่งอยู่ไม่ได้เถียงแต่ว่ามันน้อยคำาาว่าคารวาสแปลว่าที่คล้องที่และที่ติดที่เหนียวที่ลังที่ยึดมายอะไรันจะมายากเท่นกับนับบวช น, นับบวชอิสระภาพมีโอกาสที่จะได้ทํางานเกี่ยวกับศาส น, นานไปนานไปนานแสนนา น, น, านแล้วก็ ประกาศพระศาสนาในก่วงขววงไม่ในขับดแคบถ้าเป็นคารว่ามันคับมันแคบคือมันปิดมันของหลายคนของคู่เป็นคารว่าเป็นของคู่ไม่ใช่ของของมันเดียวเป็นของคู่เมื่อของคู่เราก็พยายามพยายามประคับประคองมันก็เรามีลูกมีหลานลูกหลานกําลังหัดเดินเราต้องประคองมันกลัวมันจะสกกลัมันจะล้มประคองมันเอาไว้ ตะครับตะครองถ้าเราคนเดียวเราก็เดินไปเลยเดินตุงมตุ้มุ้มตุ้มไปเลยไม่มีไม่ต้องตะครับตกครองใครไม่ต้องเอาอกเอาใจใครตั้งหมดมีอิสรภาพมันต่างกันตรงนี้แต่เป็นคระวาสโอ้ไม่นายหรอกจะมาปฏิบัติธรรมต้องลาเขาเสียก่อนลาผู้กองเสียก่อนลาผู้ลงขับปัญชาเสียก่อนถ้าเวลาไม่ได้เ น, นี่ยผิดกี่นาย เขาจะทักเขาจะตบเขาจะต่อยเขาจะฮุกไกยฮุกัวเขาจะทำทุกอย่าเขาต้องลาเขาเสก่อนคือบีบมันคั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกพระก็เราข้างหลังเนี่ยก็พิจารณาด้วยพิจารณาตัวเองพยายามตั้งมั่นด้วยตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นในหลักปฏิบัติผมพยายามเตือนเรื่อยเตือนเพื่อน ผมพูดเร e ืยเตือนเรือยผมเตือนพผมเองกันเนอะผมพูดจดจำผมก็เตือนผมเรื่อยไม่ใช่ว่าผมพูดไปแล้วปล่อยผม ว, วังอย่างที่พูดว่าผมจะไม่สึกมเนว่าเป็นเครื่องนนเตือนใจของผมเหมือนกันเป็นเครื่องกันของมเหมือ น, น, นกันกันเอาไว้กันเพื่อต่อรองถ้าเราไม่มีเครื่องต่อรองแล้วมันอยู่มันอมันอยู่ยากคือมันปุ๊บปั๊บมันดูสึกไปเลยถ้าพูดว่าจะไม่ฝึกงมันก็เป็นเครื่องต่อรอง แยากจะเซตขึ้นมาจริงหรือเคือื่ออะไรตรงนั้นตรงนี้พันอย่างนี้มันสมควรนี้พันอย่างนี้มันถูกต้องนี้ไม่ใช่ยังไม่ผ่อนผันอถ้านัื่อไหรก็ต่อยกันหลายยกหนอยไม่ใช่ายอมแพ้าจากั้างแรกต้องตู้กันตน้องหลายยกซู้ไม่ไหวก็ธรร ม, มาดาอะไรเงี้ยข้างแรกมันจะสุดอต่อมาจะมาแล้วก็จะสุดตรงนั้นไว้ด้วยทําตรงนี้ไว้เกิดได้ไอจขึ้นมา ก็อยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้จริงก็โอก็ถือว่ามันมันหลายยกเหมือนกันนะ่ะปล่อยกันหลายยกคือเป็นพูดกันของผมด่ยนะพูดเตือนพวกเตือนพระเจ้าพระสงฆ์เราเตือนกันเอาไว้ว่าภัยในทางพระศาสน า, ามันมีมากโดยเฉพาะพระของเราพระภิกษุผู้ใหม่ผู้เก่นนะา ท, ทั้งนั้นน่ะในคำกันตีจะอ่านดูอาจดะเรียนในคำกันตี มันไม่อยากก็แค่สี่ข้อเนั้นแหะไม่มากอะไรหรอกเราไม่ต้อกลัวใครว่าศาสนาคิดจะมาศาสนาพุทธอย่าไปกลัวมันไอคิดมันจะไปคิดกันนะมันจะกลัวมันจะมาเราของเราหรอกอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่ศัสิทธิศาสนาครูบ้านครูเมืองพวกศาสนาอื่นมาอยู่มันอยู่ได้เพราะว่าเรามีศาสนาพุทธเลยถ้ามันมาทะเลาะก็ให้มันก็เป็นเรื่องเป็นไปเหมือนกันนะ มันไม่ไม่รู้ค่าของแผ่นดินไทยมันจะมาคกลียดเราเว้ยผมไม่กลัวหรอกเพื่จริงๆไม่กลัวมันจะมาเกลีดผมหรอกเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ทาได้ยากที่จะมาเกลศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องวุ่นวายในทางเพื่อนว่าทาจะม่คืนียศาสนาพุทธก็เขาจะมาลบนางศาสนาพุทธมันลบไม่ได้อะว่าคนดีเมืองไทยเนี่มันมีเยอะ กูุ่วัฒนารรสินไม่ขิ้นคนดีมีแคนเสี่ยงคนดีเท่านั้นแหละพวกเราเนใ็นไปแถวไปบายใจได้แต่วิ้ตกกรงเงินมันเลยอย่งเขาจะมาเคลืนอนม่จินไม่มีไม่มีทางกันแล้วกันผมพูดจริงๆเิงนะผมผดูผลเลยลักษณะที่มันเกิดขึ้ น, นเป็นเพียงแค่ข่าวๆเลยเท่านั้นแหละไม่คนตื่นข่าวนท่านั้นแหละพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นศาสนาประจำเป็นลาประจำตระกูลตระกูลเช่นตระกูลไทยที่ได้รับพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจะเล่รุ่งเรืองแต่มีอีกปัญหาหนึ่งที่พระเจ้าเขาส่งพวเราขอให้ปฏิบัติไปดีๆมาแล้วกันแนวหน้าปฏิบัติให้มันดีๆระมัดระวังตัวเองดูตัวเองมันดูตัวเองมันและวัดระมัดระวังตัวเอง เนี่ยเป็นคนโลนเลในหลักปฏิบั mm hmm. ติพยายามจริงไลยที่ไม่ใช่ไปย่อสอนแล้วก็เอามาใช้ mm hmm. อย่างฮั่นกงจับเป็นดอกบัวแรงขึ้นภัยสี่อย่างเลยอันตรายของพิสุทธ์สามเณรผู้บวชใหม่บวชเกา mm hmm. นน่ามีระวังใดีภัยสี่อย่าง mm hmm. mm hmm. มีสี่ข้อในหลักนธรรมเขาเขียนเราไ mm hmm. mm hmm. ว้เราต้องพยายาม หนึ่งอดทนฟังคําังสอนไม่ได้ชี้เกียรติทำตามมือข้อนหนึ่งเราลองให้ดีเราบวชมาเราอยู่กับสมภานอยู่กับครูบาอาจารย์บางครั้งบางคราวเราก็ได้เชี่ยวกับเชี่ยวฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พยายามสอนแต่ว่าพยายามสอนพยายามพาปฏิบัติแต่พวกเรามาปฏิบัติทําไม่กันเลยมีอาจารย์กลุ่มประจําแต่ละกลุมแล้ะคุมะค่ม พยายามสอนพยายามอบรมพยายามปฏิบัตินี่นเราก็จะไม่เอาขนั้นไม่เอาที่เกลียดขนาดนั้นที่เกลียดไม่เอาไม่ไม่ทำนะนี้จะเป็นภัยเหมือนกันนะภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราเหมืนอกนกันพวกไเจ่อเขาสงเราเหมือนกันแต่ด้วยทาง้ น, นี้มีแต่สมพันธ์แก่ๆอยู่วัดพระหนุ่มเนี่น้อยไปอยู่ด้วยบางทีงคนแก่ก็พูดมากคนนึพูดมากพูดคำเพียก็ไม่พูด เรื่องอะไรห ก, กให้เราเข้าใจนั่นหะนบางทีคนหนุ่มเป็นจร้อนอาจจะอดทนไม่ได้คนเจรแ้ขี้คิดบางคนก็หนีจากครูบาอาจารย์หนีจากสมภารไปหนีจากวัดจากวาหนีไปใช่ใช้ก็เข้าไม่าหนีไปก็พูดโน่มพูดนีไปดีแผลในสิ่ที่มันไม่ดีไม่างามในสิ่ที่มันเป็นทางลบอย่างนี้หนีไเป็นอันตรายกันมานะมีข้อหนึ่งข้อส เพือเพิ่มคอสองคอสเพื่เพิเพื่เพิในการบรรพุณลูกยกกินเสียงอยากจะให้สุขยิ่ยิ่งจนไปอยงทุกวันนี้มันมีเรื่องร้ายอย่างโดยเฉพาะเทคโนโลยีวัดแต่ละวัดมีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มีวิดีโอมีอะไรแล้วให้สิ่งหลายอย่างมันเป็นเครื่องทักนำให้ให้หลงทานน ให้หนงให้ไหนให้ติดอยู่ภพสวรรค์นั่นก็มีโทรศัพท์มือถือมีรทรับมือถือมีโทรทัศน์มีวิดีโอเทคโนโลยีนั้นก็มีประโยชน์มันก็มีส่วนส่วนประโยชน์สิ่งไม่มีประโยชน์สิ่งั้นก็มีโทษเหมือนกันอย่างไฟฟ้าเหมือนกันมีประโยชน์มากก็มีโทษมาหันเหมือนกันเราจะมองในสิ่งที่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยโทษก็มันก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีโทษเหมืนกันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันะ นี่พระพุจะาจะให้น้มัดระวังในก า, ารใช้ใช้แต่พอเหมาะพอสมควรบางพระบางหลวมีพอถักนิ้วถือไปเตะท่ า, ายอยู่ตรง น, นดูดูปวดปอกแคบปอดู ด, ด, ดูแลมันก็ไม่ยอมในที่จริงินมากในที่สาธารณะมากนี่แบบดูดูแลมันถ้าเกิดมัน เ, เรเมามันเยอะเกินไปเยอะมากเกินไปเรวต้องมีเราไปใช้ในวัดเราคงไั้ไหม ใช้นวัตช้ดอกหยดส้นๆกันนะใส่ ย, ย่ามมาไว้มีบางรูดโอหหิวอยู่ในการตลาดเราเคยเราสับพวนีการตลาดมีถือยกขึ้นแล้วก็พูดไปเมื่อย้วก็ให้เราพิจารณาดูการคำนวณดูนี่เราก็บางครั้งเวลาเเพ่เพินไปมาเพื่อเพินไปก็ลงไหลไปติดไปเรือวาโตโกโตเกะเลยหรือว่าโทรศัพท์มืถือโก้แล้ว อยากจะเพืใครใครกกดเข้าไปใครเฉาจำเป็นบางั้งบางคงก็มีนางในโทรศัพท์ก็มีนางโทรศัพท์กดซึ่งเสียงแวะ้นมาจมาจ่าโราคุยกันเพลินเลยสนุกสนานเพลิดเพลินในกรมาคุณูเพื่ดเพลินเสียงมันเพลินมันอย่า่นนักการนักการการมาคุณเพลิดเพลินในกรมคุณคุยกันแล้วก็เอานึ่งสดชื่นใจ เราเลาะชอบเหือบใจเพราะวามันนสิ่งชี้พาให้หองให้เพ้อให้โธนันไม่จิตใจของเราไม่สงบาำให้จิตใจของเราแปรไปข้างนอกจิตใจไม่มั่นคงจิตใจลอกแรจิตใจงอกแง่คุณในหลักพรงพุทธศาสนาว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจไม่หนักแน่นเพราะเราเพ้เราเพิ่เพื่อเพนการมคุณว่าที่สาม เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นคนเห็นแว่ปากแก่ท้องกินกินนู่นกินนี่ยิ่งแล้วไปอยู่ที่วัดก็โดนเศษจากเขาเยอะไม่ได้แล้วกดกดเป็นเปศษจากอย่างวัดน้องกุ้งขันสารวัดผมอยู่พระองค์ไหนไปอยู่ก็ร้องอ๋อเลยไม่อย่างนั้นคือมันไม่ต้อมีอาหารอาหารจะเพิดมากนิดนิดแต่หน่อย วัดหนงคุงคณะสามประพรมอยู่โดยตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์นะได้มาปลายปีเนี่ยชื่อวัดไชยมงคนวัดเทียรสารสุนทรต่อมาเขาเลยเอาเขาวัดหนอยคุงคณะสามให้โมที่สืบต่อได้เป็นวัดเลยกน้อยเยอะแต่สัมพานใครจะเป็นสัมพานวัดนองคุสามก็นิมนต์นะในว่างสัมพาน์อยู่ เราก็พอไดวไปวัดทองรื่อของเราได้นังสือมาน่ะหนังสือสร้างวัดแล้วก็ลังจะได้สร้างวัดต่อไปนี่คือเห็นแก่่าแก่ท้องได้อยู่ไน่ได้อย่ามาวัดทองรื่อเลยนะอาหารมันเยอะอาหารมันหลายเมื่ออะไรก็เกิดเอาเก็บเอาเก็บเอากินไม่หมดกินไม่หมดกินหมดก็หนักเอาอาหารเอาเยอะกินเยอะ ท้องมันก็แน่นเมื่อท้องมันแน่นเมื่อไรท้องมันอท้องมันตึงหลังจากมันก็หย่อนแต่หาว่าหาวพี่เดินในวงก็เดินไม่ไหวคนกินจุกไม่ดีเลยเป็นคนที่เกียดกินน้อยกินพอดีอปฏิบัติพอดีถ้าเราเห็นแสบปากแสบท้องก็เป็นอันตรายเนี่ยอันตรายท้องที่สุดอย่ามาเหนื่ยเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน อในข้อที่สามในข้อที่สี่รักผู้หญิงรู้จักเพศหญิงหูเบ้องหูก่อเบ้องหูกับตะหูอขาตะหงบตะหูข้อที่สรักผู้หญิงแต่ข้อนี้มาแล้วก็เป็นยังไงผมไม่ดีใจนะผมไม่เคยรักผู้หญิงนะผมรักแแม่เท่านั้๋แม่ก็ไม่เคยผู้หญิงแม่ก็คือแม่ไม่ใช่ผู้หญิง ผมไม่แค้์รับผู้หญิงเพราะผมไมผมเลยไม่วิจารามันเป็นยังไงผมไม่สนับผู้หญิงแต่ผมไม่ได้เกียดผู้หญิงไม่ได้เกียดไม่ได้รักผมก็เลยวิจาใณ์ไม่ได้วข้อนี้เป็นอันตรายเนีข้อสุดท้ายให้ระมัดระวังให้ดีผมเคยเตือนเพื่อนไอ้ตัวนี้มันมาแรงมันมาแรงมากมาแย่งมาชิงมาเป็นรถ หาคนทำงานได้ดีให้เราไปย่องไปกินไปเม็ดไม่รู้เป็นเราใครไม่รู้เป็นกับพระหรือเป็นเราผู้หญิงมันก็คงจะพอกันนั่เนาะพอๆกันอึงไม่เป็นนักผู้หญิงพิจารณาสอนสอนว่าอย่างไรสอนให้เราจะเดินสติเพื่อบรรเทาความรักไม่ใช่เรืองอื่นเล มีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นจริงจีอ่าไหนก็หลวงพ่อเราไปเรักทำไมจึรู้ว่าทุกข์เนาะอ่ามันทุกข์สิแม้แต่ผมรักรักรั้วมก็มีทุกข์อยู่แล้วจากมาตะวันวันทำงานตะวันที่สามแต่วันนั้ก็จะได้กลับวันที่หกเจองานอจะขึ้นหนึ่งไม่ได้กลับบัตรอย่างนี้คิดถึงเนี่ย คือมนไม่ต้องถึงได้ว่าไปประสบการณ์หรอกคือจะเรารู้ว่ามันมันทุกข์หรือทุกข์เราปฏิบัติเรียนรู้ก็ได้ฉะนั้นเข้ารับที่ไหนที่นั้นก็มีทุกข์ทุกข์ก็อะไรทุกข์ก็คิดถึงเขาคิดถึงเขาห่วงเขายิ่งตกกังวลแม้จะนอนกินนอนยิ่งแล้วของรักของชอบใจจากไปเนี่ยโอ้ยคิดไม่ดี ว่ามันจะทุกข์แค่ไหนความรักความห่วงความห่วงนี่รับรองว่าทุกข์แน่นอนแต่ไม่เชื่อหอว่ามีครอบมีเพือนมีควสุขสุขก็เพื่อรสมุดเอาไงสมุมสดก็สุขแต่ที่แท้ใจมันคือคือทุกข์คือแท้จริงก็คือทุกข์นั่นมีแต่ทุกข์เพานั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เพราะนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เพาะนั้นดับไป ไม่มีสุเป็นคารวะนึงว่าจะมีความสุขมีรถมีนามีครอบมีเพนมีเรียนมีลูกมีหลานมันก็สุขแค่สมน่ะว้าสุขแต่ชีวิตมัคือตัวทุกข์คือตัวทุกข์ตัวยุ่งตัวยากตัวสับสนทุกข์พออหยกุ่กข์ใจทุกข์เข้ะทับประองซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพวกเราพยายามผู้ที่อยงานต่างมันเน่ยเป็นเพื่อนผมเนี่ ผมก็แก่นะ5้าสิบไปแล้วผมห้าสิบปีนี่ยังเป็นกีน่ปีจะตาแเลยวะเออไม่ใช่ธรรมดาห้าสิบปีนสี่สิบเก้าธรรมด่เปิดตีสองพันสี่รอยเก้าสิบห้าเราไปคิดดูบอกลบคุณหาเราสองทีหาเราครบแล้วห้าสิบปีนี่แหละนีนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะมันเก่มาพอสมควรนะย่ ครึ่งไปล้ครึ่งร้อยแต่ละคนเราไม่ถึงร้อยนี่ติดจบสิบแลวหงแก่แลีวยล่ะอาจจะเอาอะไรไม่แพ้ความสุขอะไรกับชีวิตอันนี้ไม่มีนีมันไม่มีแต่พระเราก็สงวนตัวรักตัวสงวนเต็มบ้างเห็ครมีข้อมีตัวนพนใครมีราพาลูกพาหานไปเที่ยวเห็นเรือนขาลังใหญ่ให่ยราจปหลงนะ เราอย่าหลงวัตถุอย่าหลงตุกถุอย่าหลงความคิดให้ดูใวเองให้ดูตัวเองดูไปเองจะเห็นเนี่ยเพราะคนเราไม่เหมือนกันเนคนเราบางคนละเรื่องคนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีนคนละคิดมีนคนละปัญญามันเป็นป จ, จัดจับต้องที่เราจะมาพิสูจน์ เร็จะต้องมาเรียนรู้ตัวเองให้มันมากๆรู้ตัวเองดูตัวเองมันดูตัวเองมันจะเข้าใจถ้าเราไม่ดูเลยม่เข้าใจนะจะเข้าใจมันจะเห็นกันทังอิ่มอะไรเห็นออกไปท้างนอกเอาไปทั้งนอกมันจะชักจูงนักทุนนิยมจะชักจูงจิตนิยมเข้าไปมาเถรนิยมจะชักจูงจิตนิยมเข้าไปสูงเขาเป็นเข้าไปเป็นของมัน มันเป็นธาตของมันมันเป็นภาตุของมันนะโว้มันก็ชใช้เราใช้ทั้างวันทั้งคืนทั้งวันก็ใช้ทั้งคืนก็ใช้ใช้ให้เราทำงานกิเนสเป็นใช้ไม่ในหลับไม่ในนอนไม่ในพักผ่อนมันจะคพิ่แค่ไหนแต่เราจะพยายามตั้งใจว่าเราคนหนึ่งเราจะอยู่ในคุทธศาสนาในวิถีภาคเรือง จะทางานนี้กับพระพุทธเจ้าเกิดมาชาติเพื่อขอบอกกายสลายชีวิตกับพระพทธพระธรรมพระสง์เราทาบัดทุกาทุกเย็นเราทำบัดพระเราก็พยายามตั้งใจให้ดีๆอ่อย่าไปคิดไปทางอื่นเพื่อนเขาฝึกเาึกมีใครใช้ไม่ได้ต้องฝึกกรองให้ดี ติดตาวางมั่นพูดอ่นี้ไม่ใช่ว่าผมบังคับนะไม่ใช่อะไรเป็นฝึกไม่น่าเขาพูดให้ฟังนะกลัวจะฟังพูดพ่อดีพ่อเสียสิงไหนมันมีโทษสิ่งไห no นมันไม่มีโทษสิ่งไหนมีคุณสิ่งไหนไม่มีคุณพขาจะไปแ์่จัดเอาไ้น่ะถ้าเราเพื่ปฏิบัติตามเราจะกลัวในสิ่งอื่นกลัวในหลักที่มันเป็นอันตรายแก่เรา แบบพระเร า, ห า, าเห็นเพื่นหญิงหนุ่มริงๆีนั่นนึองก็้นน้องตาเลยเเตัวตัวแสบเป็นง่ า, ง า, าพยพูดไม่ได้พูดอะไรใครนะพูดในพวกเดียวกันไม่มฟังเพื่อนเดีวกันฟังคืงอ็นุนมากเมื่ขอข้า ว, วของเขาหลวงพ่อหนุตาประสบประการมามากเหมือนตัวได้ง่ายไม่ค่อยนามาตะวัา ง, างแต่อยาพูดอะไรก็พูดไปอยากไปทำอะไรก็ทาไป ไม่ว่าผมเนี่ยผมเป็นพระหนุ่มเลยผมระมัดระวังผมมากจะพูดจะพูดหญิงพูดไดเป็นเนี่ยผมไม่เคยต่อแ้วกับผู้หญิงผมไม่เคยพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แจะพูดจะเคยพูดนะพูอแต่าพูดจะเคยพูดที่คงเคยช้นมอาจจะโผัวมาก็ได้คงเคยช้นเคยคุ้นเคยอยู่กับผู้หญิงอยู่กับพ่อพ่อค้าอาจจะมันโผล่มาให้เห็นคือมันเหลวมเตล่ในข้างในข่าว วิสัยเป็นวิสัยการพูดา ก, การไตรคิดอย่างนี้าาอัลมัตระลังมังเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเองถ้าไม่เตือนใครจะเตือนเราผมึคยจะพูดให้ฟังเฉยๆนะพูดเตือนเพื่อนผมเตือนด้วยสหวังดีเพราะมันหลายลายแล้วเนี่ยผมเขาจับไปหลายลายแล้วนี่ยไม่ใช่ว่าผมตังพูดนะถ้าผมไม่มาแล้วเข า, าจะจับผมไม่ได คือยิงไม่จับแล้วโรคัไม่จะจับไมจะรยจะจับอยู่้วใครวัดตั้งหลายวันแล้ไม่ใช่ธรรมดาภครมันรอบด้านเราจะไม่ยจออย่างสมุกรสารน้ำเทิดเพลินเว้ยไม่ไหวละแล้วพนะุท จ, จักรว่าเราอยู่ในทะเลเหลนวงไหมอยู่ในทะเลเหนวงลอยควายอยู่ด้วไม่มองม่เนฝั่งเลยละ่ะโลกฝังมันอยู่ที่ไหนทะเล เราจะมา เ, เพื่เพลนสนุกสนานไม่ระวังเนืเเ้อรนะวังตัวมหาที่ยิบเหวแล้วจะทำยังไงได้จะทำยัง ไ, ไงไรเราต้องระมัดระวังการฝึกสติที่เราทำนีเป็นการฝึกให้สำรวมระมัดระวังที่เรามาปฏิบัติ ท, ทำการเดินโยมโยมการสร้างจังหวะ การฝึกสติการทำภพน้สึกตัวนี้เนการสร้างเกาะกำบังสร้างที่พึ่งสร้างที่อาศัยของจิตของใจเราเพื่อให้จิตใจเรามีที่พึ่งจิตใจมีที่เกาะที่เมี่ยงที่ล้างเอาไว้มันก็ลอยลอยคลอยทะเลแล้วมีเรือมีเรือเป็นที่อาศัยมีเรือมีที่ที่อาศัยมันมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรือน้ําได้ เนี่ยถ้าเราสร้างเรือขึ้นมาเรือใหญ่เรือใหญ่เรื อ, รอลบของมาเดินในทะดลมหาสมุทรสบายเลยลงมาแค่ไห น, ก, นก็ออกไม่จแล้วก็เหมือนกันนะถ้าเราสร้างสติให้ไหลายสร้างสติสร้างส ม, มาธิสร้างธรญมะให้หลายขึ้นแล้วก็มีที่พึ่งมากขึ้นมีที่พักทิงถึงลงมันจะมาแคบขึ้นมันจะใหญ่แค่ไหนเราก็ซื้อได้พราเรือพวกนั้นก็ใหญ่เหมือนกัน ขึ้นได้ในเดินในทะเละฮสมุดได้สบายปลอดภัยทานังมาอ้แอออกอีก อ, อารมณ์ผ่านมานิดก็ไปนะเสียงผ่านมานิดจะไปกัเสียงแหละลูกผ่านมานิดจะไปกับลูกแหลขึ้นไปง่ายเรือเรามันลเล็กเ ร, รลมไม่ใหญ่พเรือกับคงม น, น, น, นจะคงเค็งเ ค, ย ค, งเคยียง แ, แ, แล้วก็่เหนก็ต้เป็นเรือล็ก เรือใหญ่แรงสารรักเขาสร้างเรือขึ้นมาเรือล็อคเรือดำน้ำเรือใหญ่สร้างขึ้นมานก่าความปลอดภัยเราไปสร้างสติขึ้นมาสร้างความรู้สึกเรือขนาดนั้นมากเงินมากขึ้นมากขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันไหนมากไปทบปบมันก็ดอนกลับ เมื่อเราดือก้อหินเนี่ยเดือดก้อนหินเนบบนน ส, สาเขาพลานมันแข็งก้อนหินค่แข็งมื่อเกระเด็นกนลับถ้าเราเอายินเหลวไปปามันวางเขาเ ป, ป็นกิเหนียวเพราเราพยายามสร้า ง, างให้มันคุ้มกันตัวเองเอาไว้แต่มันไปไม่รอดไปไม่รอจริงจริอดไปแล้วจอดแค่ ถ้าเราสร้างถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมการที่ปฏิบัติธรรมเ น, นการสร้างเกาะสร้างเรืออ่าเป็นที่กี่ขี่เราไปข้ามฟากข้ามทะเลหลวงถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาเราใครจะสร้างให้เราอืมมัก็ออกมันไม่ออกถ้าเราไม่สร้างเรือของเราใครจะสร้างให้เราถ้าเรือตรงนี้เป็นเรือทางวิญญาณทางจิตทางวิญญาณ ทางนามธรรมเ น, นื่อนี้ไม่ไม่เป็นวัตถุเป็นนามธรรมเตสติเป็นนามธรรมในเสติสติสนาทิปัญญาเป็นนามธรรมาเป็นของละเอียดไม่ใช่วัตถุพระพุทธธรรมมาสอก็เป็นของละเอียดเหมือนกันไม่ใช่วัตถุพระพุทธไม่ใช่พระพุทธรูปนั่งอยู่ด้างหลังเนี่ยไม่ใช่มีมันรูปรูปเหมือนรูปกระปั้นส ม, มุดขึ้นมา คนก็เอาไม้มาทำางคนก็กูนมาทำบางคนเอาทองเหลืองมาทำบางคนเอาหยกมาทำบางคนเอาตะ ก, กั่วมาทองแดงตะ ก, กั่วเงินทองมาแล้วแต่งสมุตขึ้นมาตัวนี้เป็นวัตถุเป็นวัตถุไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแท้แต่เป็นตัวก่อนตัวแท้ก็คือตัวสตินี่น่ะพุท ธ, ธะก็คือตัวสติที่เราฝึกกันอยู่นี่เราทำทรักขพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบกบานใครรู้ใครตื่นใครเบิกบานก็ตัวเราเนี่แหละรู้เราเองตัวเราในตื่นเองตัวเราในแบบเดิกบานเองตัวเราก็คือตัวเรานี่ยไม่ใช่ตัวคนอื่นแต่โดยคนเาได้จังหวะเราเห็นเปล่าล้วตื่นหรือเปล่าเรเดินไปมันหลักไปเดินไปมันง่วงไปเดินไปไม่มีคนรู้สึกไหมมันง่วงมันหนักแล้วเกนมันตื่นม็อกเห็นนันมอก ได้เห็นจอยบางครั้งเขานั่งสร้างกันวะนั่งกันวนนีไ้ไม่รู้ว่หลับไปเลยไม่รู้เลยก็ตัวนี้เองอที่เราไม่ได้คิดพระแท้ถ้าของแท้ไม่ต้องตื่นอยู่ตลอดไปตื่นอยู่ตลตอด ต, ตื่นเห็นรู้เข้าใจมันไม่ตื่นก็ทําให้มันตื่นมันไม่รู้ก็ทําให้มันรู้ทะลาะกับมัน mm. ความว่างมาก็ทะเละออกความว่างความปวดมาก็ทะเละออกความปวด เราไปทะเลาะกังคนอื่นเลยคนอื่นอยู่ข้างๆคนนั้นคูยกันทำไมคูดทำไมเพราะก็ลังปฏิบัติธรรมอย่างนั้นไม่ได้ต้องทะละกับตัวเองมันวุ่งทะเละกับคนว่นเพื่ต่อสู้กันต่อสู้คนวุ่นขอบคุณมันดีแล้วมันจะมาให้เรามาต่อคู่มันเป็นคู่ซ้อมคู่ต่อสู่ให้เราจะกล้าจะแ่งงต่แข็งแก่ถเพราะในการซ้อมอย่างเขาทุบันเตะบบอนกัน ก็ต้องซ้อมมาก่อนฝึกมาก่อนเตะมาก่อนฝึกการเตะหาคู่ที่มีกัวแข็งหัวมามาเตะกับพิมตัวเองกพอจะรู้ว่าจะของมันจะขึ้นไม